วันนี้เป็นวันสิบ้าค่ำเดือนเจ็ถ้าเป็นเพ่งหน้านี่ก็เป็นวันเข้าพรรษาปี2550วันนี้เป็นวันลงอุโบสถของพระด้วยพระพึงทําอุโบสถสังฆกรรมสวดพระปฏิโมกจบแล้วก็เป็นวันพระใหญ่สําหรับญาติโยมพี่น้องประชาชนเป็นวันบําเพ็ญกุศลเพราะวันพระทุกวันพระพวกเราก็พร้อมกัน ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมอันนี้คือเป็นประจำวัดของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พวกเราก็ได้มาพร้อมกันทําวัดเย็นต่อไปนี้ก็จะได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมนิยกถาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นแนวความคิดสําหรับชีวิตประจําวันหรือว่าประจํา วันพระเพราทุกวันพระหลวงพ่อเองก็ได้พูดได้กล่าวเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราทุกๆท่านให้ได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้นำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันหรือว่าเกิดมาในโลกพูดอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษา พวกเราจะมีความรู้ความฉลาดได้อย่างไรพราะนั้นการได้ยินได้ฟังถึงจะได้ยินได้ฟังในเรื่องต่างๆแต่ว่าพวกเรามีปัญญารู้จักแยกแยะรู้จักคบคิดรู้จักไตรตรองเหตุและผลพวกเราก็จะเป็นผู้มีปัญญาได้พวกเราจะได้ยินแต่ตั้งอกตั้งใจจะฟังแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อยากจะฟังแต่สิ่งที่ดีๆอยากจะฟังสิ่งที่ เป็นที่พึงปราถนาในใจของเราอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะเสียงมีตั้งเยอะแยะในโลกเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลายเสียงธรรมชาติตินฟ้าอากาศฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงคู่เสียงคนเสียงหญิงเสียงชายเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเราจะต้องได้ยินแต่ถ้าว่าเราได้ยินแล้วในเมื่อเสียงมักเสียงคนก็ตามในเมื่อได้ยินแล้วเรานำเอามาใส่ใจของเราทุกอย่างเราก็มีตะแบก แบกภาระมีแต่หนักกกหนักใจเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราต้องรู้จักแยกแยะสึ่งไหนควรจะนำมาคิดมาไข่ควรไตรตรองเหตุและผลแต่ถ้าว่าบางคนฟังแล้วก็ไม่สนใจฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายฟังไปแล้วก็แล้วไปอันนั้นแปลว่าถึงจะอยู่นานเท่านานถึงจะฟังยังไงก็ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุไรพาะไม่ ไม่มีการแยกแยะไม่ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนเหตุและผลคดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสกล่าวเอาไว้ว่าสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการไข่ควรทบทวนเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นๆภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่ง จากนั้นก็นำจิตที่สงบที่เป็นหนึ่งนั้นที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นนํามาพิจารณาสิ่งที่ได้พบได้เห็นแยกแยะทิ้งได้ศึกษามาแล้วไตรตรองด้วยเหตุผลให้ละเอียดเข้าไปอีกอันนี้แปลว่าการได้ยินได้ฟังเพราะนั้น <S <S 1> <S 1> เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติประยัดคือการได้ยิน การศึกษาปฏิบัติลงมือทำการทำงานปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติสรุปแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันอาศัยการได้ยินได้ฟังปริยัติก็คือการเรียนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็การศึกษาศึกษาแผนที่ปริยัปฏิบัติเดินตามแผนที่ปฏิเวทประสบความสาเร็จเมื่อเราเดินตามแผนที่นั้น อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราจะเปรียบเทียบในภาคปฏิบัติการเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านก็ลักษณะอย่างนั้นนะพวกเราให้รู้จักว่าจุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าหรือว่าพวกเราเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำอย่างไรพระพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเรามีเหตุผลทำอะไรให้มีเหตุมีผลให้คิดให้พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผล อย่าทำสิ่งไหนโดยที่ไร่เหตุผลเหตุผลนั่นคืออะไรเหตุผลก็คือความถูกต้องความถูกต้องนั้นขนาดไหนถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็หนบวกหเป็นสองสบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น8นี่แหละคือหลักเหตุผลคือไม่คลาดเคลื่อนถึงใครจะพูดยังไงผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เท่าผู้แก่ชาติชั้นวรรณะไหนพูดถ้าว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นส แปลว่าผิดหอนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองถ้าเด็กพูดชาตชั้นวันณะไหนพูดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแปลว่าถูกทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะมันเหตุผลบนลงตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราให้พยายามเป็นผู้มีเหตุผลจะทำอะไรจะพูดอะไรคิดไตรตรองเหตุและผลให้ไปตามหลักทำคําสั่งสอนแนวแถวของพุทธะหรือวแนวแถวในหลักเหตุผล ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะไม่ใช่พุท ธ, ธสั่งสอนแต่ว่าเหตุผลนั้นคือความถูกต้องพวกเราก็ต้องยอมรับได้ทั้งนั้นจะเป็นเด็กผู้ใหญ่พูดพวกเราก็ยอมรับได้เพราะว่าในเรื่องนั้นเป็นไปด้วยเหตุผลเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต้องฝึกหัดคือที่จะทำอะไรลงไปอย่าไปทำแบบพรีพรามอย่าไปทำาดยอารมอย่าไปทำโดยขาดความรอบคอบ ไตรตรองเหตุและผลอย่างในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้แนะนำสั่งสอนพวกเราสานุสิทธิ์พระพุทธองค์ว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดขึ้นมาอย่างไรอย่างนี้ก็มีหลายแง่หลายเรื่องที่พวกเราจะต้องนำมาคิดไตรตรองเหตุและผลอันนี้กระสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์จะนำจุดไหนมา เผยแผ่มาขยายผลมาแนะนําพวกเราให้เข้าใจแต่บางครั้งพวกเราก็ถึงจะรู้ก็เหมือนกับไม่รู้เหมือนจะรู้แต่ก็ไม่ได้สนใจสนใจเท่าที่ควรแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธพุทธศาสนาแล้วท่านให้ใจ ต, ตรองเหตุและผลในเรื่องนั้นๆอย่างพวกเราเกิดมาจากพ่อแม่อย่างนี้พ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับเราเราคิดดูให้ดีกันแล้วกัน เราเกิดมาทีแรกเราไม่รู้จักเตียงสาภาวะเราเกิดมาตัวแดงๆเราไม่รู้อะไรพ่อแม่ของเราประครบประงมะดูแลเลี้ยงดูเรามาแต่อ่อนแต่ออกเพราะนั้นท่านจึงจัดว่าพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์ของบุตรทิดาคนแรกเป็นอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนบุตรทิดาบุจริงบุตรชายของตนเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงบ และให้ระลึกบุญคุณของพ่อของแม่ว่าพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณสําหรับเรายิ่ยงกว่าใครอื่นทั้งหมดท่านไม่ให้มองข้ามท่านไม่ให้ดูได้แต่โดยมากยุคนี้สมัยนี้โดยมากมีแต่พ่อแม่ให้แก่ลูกเสียมากกว่าลูกเราเลี้ยงดูมาดีเลี้ยงดูใหญ่ให้การศึกษาเขาสิ้นเปืองเท่าไหร่ไม่ว่าพ่อแม่ทุ่มเทสุดๆุดแข่งกัน จะไม่ใช่แข็งหรอกคืออยากจะให้ลูกตัวเองไปสูงส่งที่สุดไม่ให้น้อยหน้าตําตาใครที่เรามีเท่าไหร่มีความรู้ความสามารถเท่าไหร่เราก็พยายามส่งเสียลูกจนสุดความสามารถของลูกสุดความสามารถของเราเองที่มีกําลังส่งลูกแต่โดยมากพอส่งจบไปแล้วบางทีก็ส่งเะลิดเปิดเปิงโดยมากลูก ไม่ค่อยจะทบทวนไม่ค่อยจะมองหลักพอตัวเองได้ดีได้ดีแล้วก็ลืมเหงือนกันว่าเราได้ดีมานี้เพราะเพราะใครทำไมเราจึงมาถึงจุดนี้ได้ได้มาเพราะอย่างไรได้มาเพราะเหตุไรทำไมจึงมาถึงจุดนี้ได้โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าใครโดยมากจักจะลืมตัวจุดนี้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำแล้วย้ำอีกว่า พวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ให้การสนับสนุนจนมีความรู้ความฉลาดสามารถขนาดนี้ได้ก็เพราะคุณบิดามารดาพ่อแม่ของเกราประครบประงมตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนเป็นเด็กจากนั้นมาก็ให้การศึกษาถึงเราจะศึกษายัางไงพ่อแม่เขาให้การสนับสนุนเงินคำทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ไม่ได้ว่าทุ่มเทให้แก่ลูกๆเพื่อจะให้รับการศึกษาสูงส่งที่สุด เท่าที่ยุคนั้นสมัยนั้นจะมีคือพ่อแม่ไม่อยากจะเห็นลูกตัวเองตกต่ํามีแต่อยากจะเห็นลูกเขาเองสูงส่งขึ้นไปจนถึงที่สุดสุดขนาดไหนสุดขนาดที่สุดเมื่อนั้นออในยุคสมัยนี้ในใจของพ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถึงที่สุดขนาดไหนก็สุดแท้แต่ลูกมีความสามารถแต่เกินกว่านั้นไปลูกพ่อแม่เองก็ไม่กล้าที่จะพูดกล้าจะแสดงออกทําให้ลูกเสียใจ อย่างพ่อแม่บอกว่าเอา้าลูกต้องจบปริยาเอกนะแต่ลูกเขาไม่มีความสามารถที่จะจบพ่อแม่ก็ไม่กล้าพูดแต่ตามไม่จริงพ่อแม่อยากจะให้จบถึงขนาดนั้นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนหรือการทุ่มเทให้แก่บุตรธิดาของตนเองอย่างอย่างมากแต่พร้อมกันพวกที่เป็นลูกก็ไม่ค่อยได้จะมองย้อนหลังจุดนี้แหละที่หลวงพ่อเองได้ย้ำแก่ลูกหลาน ญาติพี่น้องชุมชนสังคมยุคนี้สมัยนี้ให้พวกเรามองย้อนหลังหน้าให้ระลึกถึงคุณบิดามารดาพวกเราจะทดแทนพระคุณของท่านได้อย่างไรเนี่ยอย่างที่เราศึกษาจากพ่อแม่ครูบายอาจารย์ครูเหมือนกันอย่างหลงตัวหลวงพ่อเองอย่างเนี้ยศึกษากับองค์หลวงปู่ล่าอย่างเนี้ยศึกษาจากองค์หลวงตามหาบวัวอย่างเนี้ยเราได้ศึกษาจากครูบายอาจารย์แค่เนี้ย เ, เราก็ต้องระลึกถึงพระคุณระลึกถึงเมื่ อ, อไรเราก็ยกมือไหว้ ท่านจะทดแทนพระคุณท่านได้ด้วยวิธีอย่างไรนีสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราคิดแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่อยากจะให้พวกเราระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงพวกท่านจะคิดหรือไม่คิดก็ตามคือหน้าที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นหน้าที่อย่างนั้นเราเมื่อเมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ในเมื่อเราเป็นศิษยานุศิษย์เราก็ต้องทดแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ อันนี้เป็นหน้าที่อย่างภาษารีบุตรอย่างเนี้ยถึงท่านจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกผู้ใหญ่ท่านได้สําเร็จพระโสดาบันจากท่านอัจฉริอย่างเนี้ยได้รับธรรมคําสั่งสอนที่พระอัจฉริเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้แสดงธรรมให้ฟังถึงท่านจะอยู่เป็นมหาเถระผู้ใหญ่เรื่องลือรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอัครสาวกคือท่านสารีบุตร รององค์ที่สามก็คือโมกคลาแต่ถึงอย่างไรท่านก็ยังไม่ลืมอัจชิที่เป็นอาจารย์ของท่านอาจชิของท่านพระอัจาร์ท่ของท่านท่านไม่มีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับท่านสาริบุตรเพราะลูกศิษย์ที่ได้รับการศึกษามามีชื่อเสียงโด่งดัง <Evet. S 1> แต่ท่านเมื่อท่านสารยิบุตรได้รับธรรมะจากท่านอาจาร <Evet. S 1> อาจารท่านก็เป็นพระป่าพระดงทั่ ว, วไป ท่านอยู่ตามลาพังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับท่านพระสารีบุตรแต่ถึงยังไงพระสารีบุตรไม่ลืมอาจารย์พระอาจารย์อยู่ณนะที่ใดอย่างวันนี้พระอาจารย์ท่านอยู่ทางทิศตะวันออกท่านพระสารีบุตรก็หันหัวไปทางทิศตะวันออกกราบพระอาจารยที่เป็นอาจารย์ของท่านและลึกถึงบุญคุณของท่านที่ท่านให้ความรู้ความฉลาดเปิดประตูแล้วออกเปิดชี้ช่องบอกทางให้จนได้สาเร็จ เป็นพโสดาบันนะว่าวันนี้สราบว่าท่านอยู่ทางทิศตะวันตกต้องหันหัวไปทางทิศตะวันตกก่อนที่จะนอนกราบท่านอาจาิ ช, ชิ้สก่อนอย่างนี้นเพราะนั้นท่านไม่ลืมพระคุณของครูบาอาจารย์พระคุณพ่อแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราพ่อแม่เป็นบุพก า, ารีพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพรหมวิหารสี เป็นผู้มีเมตตาต่อบุตรธิดาอย่างสุดซึ้งปรมวหารพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของบุตรธิดาพระอรหันต์ก็คือเป็นผู้สงสูงสง่งผู้ใดปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อพ่อต่อแม่มีความหายนะมีความจิบหายถาว่าผู้ใดปฏิบัติกับพ่อกับแม่แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดมาเวลาใดก็จิตใจก็เอิบอิ่มเพราะตัวเองได้ทาถูกต้อง ไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อพ่อแม่ล่วงลับดับขันตายไปเราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะว่าร่างกายของเราแต่งแต่หัวจดเท้าของพ่อแม่ยังอยู่กับเราอยู่ไม่ได้หายไปไหนถ้าเรานึกดูก็แล้วกันว่าร่างกายของเราเนี่ยเราได้มาจากใครโอ้ข้าพเจ้าได้มาจากท้องวัวท้องควายไม่ใช่เราได้มาจากโพรงต้นไม้ก็ไม่ใช่เราได้มาจากพ่อจากแม่เออใช่นะ ในเมื่อเราได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ล้มหายตายจากไปเราร่างกายของเรายังอยู่กับเราอยู่เราก็ระลึกถึงประคุณของท่านเวลาทําบุญทับทานสร้างบุญสร้างกุศลได้บวชในพระพุทธศาสนาอย่างเนี้ถึงพ่อแม่จะล้มหายตายจากไปก็ตามเราก็จะระลึกถึงบุญคุณของท่านเออดวงวิญญาณของพ่อของแม่สิ่งสถิติยุทธินใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล จากผู้ฆ่าโดยเธอผู้ฆ้านอุทิศส่วนกุศลให้เนะ้อคุณพอ่อคุณแม่เนะ้อถ้าว่าพ่อแม่มีความสุขและก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละคือพวกเราให้น้อมนึกอยู่อย่างนั้นอันนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่ลืมพระคุณของผู้มีพระคุณคือคุณพอ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ อันนี้ถ้าว่าพวกเราระลึกถึงอย่างนี้ได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปนสถานที่ใดมีแต่ความสุขความเย็นใจพวันนั้นพวกเราคิดดูก็แล้วกันนะแหมดูตัวเฉพาะอย่างยิ่งพวกชาวจีนคนจีนที่ไหว้เจ้าไหว้เจ้าก็คือไหว้พ่อไหว้แม่ไหว่ผู้มีอุปการะคุณนั่นแหละอคือสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักบุญรู้จักคุณต่อผู้มีพระคุณสําหรับเรานะอันนี้ก็คือ สอนให้พวกเราอ่อนน้อมให้รู้จักการสถานที่บุคคลแล้วก็พร้อมกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอกีกสอนเป็นส่วนตัวเข้ามาอีกอันนั้นคือคือสอนให้อยู่ให้ระลึกถึงพระคุณแต่ในถ้าสอนให้ระลึกถึงตนเองให้พิจารณาตนเองรู้ว่าตนเองเราเนี่เป็นใครเราไนี่มีอะไรอยู่ในตัวของเราพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเรามีอะไรอยู่ในตัวของเรา พระพุทธเจ้าท่านกอนสอนว่าในตัวของเราเนี่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองรูปกับนามรูปก็คือร่างกายนามนามธรรมนามก็คือใจอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่สองอย่างนี่พึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นสิ่งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าในยุคสมัยนั้นจนเป็นที่ยอมรับ ในพระไทยด้วยใจของพระ อ, องค์จากนั้นท่านก็นํามาความรู้ความเข้าใจความรู้ที่ท่านได้ประสบมาท่านก็มาแนะนําสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสมัมเนนของท่านนั่นแหะทีนี้พวกเราก็ได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดสรู้พระธรรมรู้แจ้งพระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสงค์สาวกคือพระสงค์ไปว่าผู้สดับสาวกะไปว่าผู้สดับสดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังมาจนท่านได้สาเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์จากนั้นก็นํำทำคําสั่งสอนที่ที่ท่านได้สดับมาแล้วมาเผยแผ่ขยายผลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับปูรับทราบอีกเพราะนั้น นี่ว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาเนี่ยก็ว่าหลักเหตุผลที่วัดเข้ามาจุดนี้หลักพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญา อ, อ, อ, อาศัยการได้ยินได้ฟังจากนั้นก็นํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงมาเอานํามาใช้ในการประพฤติธปฏิบัติกายวาจาใจของเรานี่แหละอันนี้ก็คือ อันดับแรกให้พวกเรานั่งสมาธินะ่ะนั่งสมาธิทําจิตให้สงบการนั่งสมาธิต้องศึกษานั่งยังไงการนั่งอย่างที่พระพุทธปฏิมากรที่ประทับนั่งหน้าต่อหน้าของพวกเราเนี่ยท่านนั่งยังไงจากนั้นเราก็นั่งตามที่ท่านนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งนะใเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเทนีนันละเทนี น, นก็นำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลพิจารณาร่างกายสังขารใจของเรามันมีกิเลสอยู่ที่นั่นนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันตัวกิเลสทั้งนั้นนะเป็นตัวมวลถินทั้งนั้นรักก็เป็นมวลถินหลงก็เป็นมวลถิน โกรธก็เป็นมนทินเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราทําจิตไม่สงบนะจิตของเราไม่สงบมันจะไม่เห็นเพราะมันละเอียดมากมันซ่อนตัวอยู่ว่างั้นเหรเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้จิตสงบทําจิตให้เป็นหนึ่งถ้าจิตของเราสงบดีแล้วมันแว บ, บขึ้นมาเวลาใดความโกรธขึ้นมาเวลาใดเราก็รู้มันร้อนนะ และความรักความหลงขึ้นมาเวลาใดเราก็รู้อีกหลงเนี่ยมันลดยังไงรักเนี่ยมันลดยังไงกโกรธมันลดยังไงเนี่ยเราก็รู้แก่ใจสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจทั้งหมดตาไปเห็นรูปเป็นยังไงเกิดความรักเกิดความกโกรธถ้าสิ่งไหนที่ไม่พอใจก็โกรธขึ้นมาถ้าสิ่งไหนเห็นเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็เกิดความรักขึ้นมาหูได้ยินเสียง เสียงร้อง ร, รทำทําเพลงถ้าเสียงเขาดา่าใจของเราก็ไม่พอใจถ้าเสียงร้องรำทําเพลงเป็นเป็นที่พอใจอา่าแล้วก็เกิดความหลงขึ้นมาเกิดความรักขึ้นมานไหเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือกิเลสเข้ามาทางตาบังทางหูบังทางจมูกบังทางลิ้นบังทางกายบังทางกายเข้ามาได้ยังไงเอ่อเข้ามาทางกายกันนี่แหละกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้แหละเขามาทุบมาตีอย่างนี้ มันคืเรารู้สึกเอจากนั้นก็ส่งเข้ามาหาใจใจก็ไม่พอใจ เ, เพราะร่างกายของเราได้ไปกระทบในสิ่งเหล่านั้นนะนี่แหละกิเลสบอกทางเดินของกิเลสว่ากิเลสที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเราเยเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทา ง, ทางลิ้นทางกายจากนั้นในใจของเราก็คิดไปอีกต่างหากคิดไปโลภจากได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทำนองครองทอนา หลายๆอย่างนา น, นาชนิดนานาเรื่องนานาราวนานาไปว่าคณะนับไม่ได้เพราะงั้นมันหลายเรื่องหลายราวจริงๆเพราะงั้นเออที่มันส่งเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นนะต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะทํำยังไงก็ตามมันต้องเข้ามาสู่จิตใจมาสู่ใจของเราทางนั้นแต่ถ้าว่าเราทําจิตไม่ให้ไม่เคยทําจิตให้สงบจิตของเรายังไม่สงบมันจะยังไม่เห็นใจได้เออมันยังวนหน้าวนหลัง บกวนเวียนอยู่ข้างนอกกว่างั้นแต่พอจิตสงบเข้ามาในจิตใจนิ่งจิตใจนิ่งเราจะเห็นรู้ได้ใจมันแับไปเรื่องอะไรใจมันพิษไปเรื่องอะไรใจมันหลงไปเรื่องอะไรใจมีอะไรเข้ามาสู่ใจในขณะนั้นมันร้อนด้วยกิเลสราคะหรือกิเลสโทสะหรือกิเลสโมหะโมหะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะโมหะ เ, เป็นกิเลสพื้นฐาน ถ้าว่าไม่หลงมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภถ้าไม่หลงมันก็ไม่รักเพราะนั้นตัวหลงตัวนี้เป็นต้นตอแห่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอย่อวิชชาปัจจะยาสร้างฆาาราพระพุทธเจ้าค้นพบท่านว่าตัวอวิชชา เ, เป็นต้นตอและเป็นเรื่องราวเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นในพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพยายามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้น หลักพุทธศาสนาคือหลักเหตุผลที่ว่าตั้งแต่การเป็นอยู่เราเกิดมาอย่างไงเกิดมาจากไหนทําไมเพราะเหตุไรจนมาถึงการเป็นอยู่วางตัวอย่างไรปฏิบัติยังไงทําใจให้สงบอย่างไรนี่แหละเรื่องใจนะให้สงบนะต่อ น, นี้ไปเนี่ยให้พวกเรานั่งสมาธิ น, ะนั่งสมาธิให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าอย่าไปส่งไปข้างนอกอย่าไปส่งไปในอดีต อย่าไปส่งไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ให้ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบังคับเพราะงั้นอะบังคับให้มันอยู่นิ่งให้มาอยู่กับตัวเอง น, นี่แหละนั่นก็พุโทโธพุโทโธเอาพุโทโธสำทับเข้าด้วยถ้าเรากําหนดลมเฉยเฉยมันไม่มีอกรรมาฐานแล้วไม่มีสิ่งที่สำทับเขาอีกทําให้มีช่องว่าง เพราะานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่าวนพุทโธผู้รู้ผู้เบิกบานาผู้รู้แจ้งผู้รู้ผู้เบิกบานพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทธโธกับลมหายใจเข้าหายใจออกอติดใจให้มันนิ่งให้มันสงบนะี่แหละที่พวกเรามาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาให้มาดูใจถ้าเราฝึกใจดีแล้วนะ ใจของเรามีเหตุมีผลแล้วนะเราจะคิดเรื่องอะไรต่อไปภายภาคหน้ามันก็มีเปลกมันก็เป็นแนวความคิดที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ฝึกใจถ้ามันอารมณ์ขุนเคืองโมโหโทโ่โมันเิดจะวิ่งป๊อกออกไปเลยกว่าที่จะรู้ได้มันไปจนพอแรงลนะ้เสียหายพอแรงบางครั้งจนถึงลังมาอยู่จนจนจะติดคุกติดตรางวิ่งเหนียวหูสุกหัวซุนละ่ะเพราะมัน มันวิ่งออกไปมันขาดสติภายนั้นพวกเรามาฝึกในครั้งนี้ม า, มาฝึกเอ่อมาฝึกเบลกให้ใจเหมือนนพูดง่ายๆนะมาฝึกเบลกให้แก่ใจให้ใจมีเบลกให้ใจทบทวนให้ใจรอบรู้ให้ใจอย่าจะไปหลงงมงายมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหะนะให้ใจของเรามีเหตุมีผลนะนวันนี้หลวงพ่อได้พูดธรรมะแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษา สรุปแล้วเน้นหนักก็คือให้ภาวนาพุทธโธนะวันนี้นะที่หลวงพ่อพูดวันนี้ก็คือให้ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ที่มีอุปกรารคุณสําหรับเราทุกๆุกท่านนะต้องมีครูบาอาจารย์ยกพันภาษาฤาษี เ, เห็นไหมท่านท่านเป็นพระรหันถึงขนาดนั้นท่านยังไม่ลืมครูครูของท่านเพรบบาะนั้นพวกเราถ้าวระลึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมอ เราจะคิดเราจะพูดเราจะทําสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเออครูบาอาจารย์ท่านได้ยินท่านก็คงจะไม่สบายใจนะในเรื่องนีเออ้เราก็เหมือนกันถ้าเราดึกถึงพ่อถึงแม่เออถ้าเราทําออกไปเนี่ยสิ่งนี้ยนะถ้าพ่อแม่รู้พ่อแม่ก็คงจะไม่สบายใจนะในเรื่องนี้นะเราจะมีเบรกในจิตในใจของพวกเรานะออตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะออนั่งกัจสมาตย์แต่เวลาหนะลวงพ่อจะบอก ออกจากสมาธิเอานั่งขาขวาทับขาซ้ายเมื่อนั่งเสร็จแล้วปนมือนะอา่าปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พุทธโธธัมโมสังโฆ ค, คือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบนะไหว้พระพุทธเจาา้าสาครั้งไหว้พระธรรมสามครัง้งไหว้พระอริยสงฆ์สามครัง้งนะ จากนั้นก็เอามือลงเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราจะแผ่เมตตก่อนก็ได้นะแผ่เมตตาก็คือว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกวิญญาณทั่วโลกก็ขอให้มีความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขนะ กําหนดอย่างนี้จะก่อนสักชั่วระยะหนึ่งจากนั้นยังค่อยมาบริกรรมลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเห็นไหมหนดลมหายใจนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดภาวนามาแล้ว เ, เมื่อพิจารณากำหนดลมหายใจเข้าพุทโทพุทธโทพอจิตใจนิ่งสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายเลยก็ได้นะกำหนดดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายของเรา แยกแย่ส่วนแบ่งส่วนร่างกายมีถัดสีดินน้ำลมไฟร่างกายนี้จะต้องแตกตายสลายที่สุดนะไม่ใช่ของเร า, เาไม่ใช่ของเรานะตายแน่ๆนะอันนีจังนะของไม่เที่ยงนะทุกขังนะอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายสังขารต้องไหลลงสู่ดินน้ำลมไฟนะนี่ก็ถ้าว่าผู้ปฏิบัติผู้ภาวน า, าถึงตายรักแล้ว เล่งไปตามตายลักตามที่เราได้ปฏิบัติมานะแต่ผู้ที่ที่เริ่มใหมก่ก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างที่หลวงพ่อได้พูด